เทศนาที่ 7.7 ลำดับที่5โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวั ด, ดอนนุดรธานีแสดงธรรมในวันที่16กรกฎาคม2558มีชื่อเรื่องว่าจะทำอะไรให้หนึกถึงธรรมและวินัยเป็นหลัก วันนี้เป็นวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 5 8เมื่อวานเป็นวันพระเดือนดับแต่วันนี้เป็นวันขึ้นค่ำหนึ่งแต่ทำไมพวกเราจึงมาอุโบสถขึ้นค่ำหนึ่งเพราะปักขรณาคณะสงฆ์ธรรมยศ อกว่าวันเมื่อวานน่ไม่ใช่ดับสนิทท่านคำนวณทางจันทรคติแล้วว่าวันนี้เป็นวัดวันดับสนิทเพราะนั้นท่านจึงให้ลงอุโบสถวันนี้แต่ตามไม่จริงก็ไม่เห็นก็ไม่ผิดมากอะไรมากาาหรอกแต่ว่าถ้าเราทำนี้ก็ไม่เห็นผิดอีกเหมือนกัน <c oughs> เพราะวันคืนเดือนปีขอสำคัญให้ ลงโบสดถ้าไม่ลงโบสดในช่วงปักขึ้นและปักดับอันนั้นเป็นอาบัตเป็นโทษแต่เนิดแน่นนอยอดับบ้างไม่ดับบ้างอันนั้นก็ไม่ได้ถือว่าจำเป็นและสำคัญแต่ว่าเมื่อคณะสงฆ์ลงมติกันว่าสมควรจะลงวันนี้พวกเราก็ <c oughs> พร้อมกันลงวันนี้จะมาเห็นผิดที่ตรงไหนอีกเหมือนกันก็สําคัญให้ลงวันนี้พวกเราได้เที่ยงวันนี้วันที่วันขึ้นค่าหนึ่งเดือนแปะเป็นวันอุโบสถเที่ยงเราลงโบสถเที่ยงอันนี้ก็บายโมงอุโบสถ จบลปงแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงจวนจะเข้าพรรษาอีกสิบห้าวันข้างหน้าเป็นวันเข้าพรรษาของพวกเราขอให้พระทั้งพระใหม่พระที่มาใหม่ทั้งยังไม่ไม่เคยเข้าพรรษาก็ให้พระเก่าแนะนำบอกกล่าวเรื่องอธิษฐานคําอธิษฐานพรรษาถึงจะเป็นคำที่น้อยนิด แต่ก็ยังไม่ได้ท่องไม่ได้สนใจมันก็เป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะเราไม่ได้สนใจเราไม่รู้เพราะเราไม่เคยเข้าพรรษาแต่พระเก่าก็ต้องอใครบ้างที่ยังไม่เคยได้ยังไม่ได้เข้าพรรษาพวกเราก็รู้อยู่แล้วก็บอกแนะนำเออท่องคำอธิษฐานพรรษานะให้ได้นะให้ดูนะอันนี้ก็เป็นการเตือนย้ากัน พระเก่าเป็นตัวอย่างที่ดีของพระใหม่พอผ่านประสบการณ์ผ่านการอบรมได้รับการศึกษามาแล้วผ่านพันษามาแล้วผ่านเทือนปีมาแล้วเพราะนั้นให้เกิดแนะนําเป็นน้องๆเป็นทอดๆไปไม่ใช่ว่าเฮ้ยเขาคงจะรู้ล ะ, ละจะไปคิดอย่างนั้น เราต้องถามไทยแลว้วกจากนั้นก็แนะนําบอกกล่าวให้ทุกองค์ที่ยังไม่เคยจําบรรษาหรือไม่เคยอยู่ณที่นี่พวกพระเก่าควรจะบอกแนะนําอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรไม่ต้องเกรงใจ <c oughs> ถาม <c oughs> ถ้ามันผิดแล้วไม่ต้องเกรงใจเอเพราะผมเคยอยู่บ้านตาดเอ หมูจะบอกกันเกลียใจเขาไม่กล้าบอก <c oughs> ได้มากระซิบประราบผมผมเนี่ยเห็นว่าหลักธรรมวินัยเห็นว่าเป็นแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมบอกได้เลยมันไม่ผิดมันไม่ถูกก็ต้องบอกตามหลักพระธรรมวินัยที่ท่านไม่รู้ท่านโอ้ขอขอบคุณครับ ที่ท่านมาบอกผม <c oughs> อย่างที่ท่านมีพระเป็นหัวหน้าเป็นออะไรเป็นหัวหน้าพ่อค้าใหญ่ที่ชนบรุรีท่านเกิดจตทานท่านมาบวชบวชกมาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดท่านก็เคยเป็นผู้ใหญ่มาแล้วการล้างบาทล้างอะไรมันก็เป็นมีแต่ลูกน้องบริวาร อันนี้พอมาบาทบวชมาใหม่ถึงจะเป็นระดับไหนเข้ามาก็ต้องล้างบาทเองเพราะฉันเองก็ล้างบาทเองจะให้ใครล้างบาทไม่ได้เพราะว่าตัวเองครึ่งมาบวชมันต้องฝึกหัดในการล้างบาทแต่พอล้างบาทเท่านั้นก็ท่านก็ไปวางกับพื้นกระดานบาทสมัยก่อนเป็นบาทเหล็กบาทเหล็กเคลือบมันก็โคงลงเคียงเรง กับพื้นพวกพระเก่าก็ไม่กล้าบอกแต่ตามไม่จริงการล้างบาทการวางบาตรการที่จะเก็บบาตรคือพระวินัยของพระพุทธนะเจ้าขนาดมีบาทอยู่ในมือมือหนึ่งถือบาตรท่านยังห้ามผักบานประตูเออพชรจุใดมีมืออยู่ในบาทรผักบานประตูปรับอวบถกกฎ ภิกษุใดตั้งบาทในที่จะตกแตกคือตั้งดูลิมที่ประมาณ1สองศอกไอ้ว่าตั้งบาทไว้ประมาณ1นึงศอกเป็นอบัตทุกฏภิกษุวางบาทในของแข็งคือในพื้นในพื้นดินพื้นหินพื้นกระดานปรับอบัตทุกฏ ต้องมีต้องหาผ้ารองผ้าอาบน้ำรองหรือขาบาดรอง้ะก่อนอไม่ใช่จะวางวางกับพื้นดินหรือวางกับพื้นหินหรือวางกับไม้กระดานถ้าพิกาุวางไว้ในที่ในของแข็งปรับอตบทุกกดพิษสุกล้างบาดแล้ก็ต้องระวงังอย่าไปวางกับพื้นเมื่อล้างเสร็จแล้วต้องเช็ดให้แห้ง เมื่อช็ดใท้แห้งเสร็จแล้วให้เพึงแดดให้มันหับดับกลิน่นสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเป็นวินถีเ <c> ว <oughs> ลาจะวางบาดไว้ใต้เตียงต้องเอามือคลำดูซะก่อนว่าไม่มีอะไรที่จะกระทบในใต้เตียงและยังเอาบาดเข้าไปเอาไปตั้งไว้ในที่ปลอดภยัยสิ่งเหล่านี้ถ้าเราได้ศึกษาในวินัยของบาดนะ การเก็บบาทการรักษาบาทไม่ใช่บาดถูกวนันนี้บางแห่งเราเห็นอพออาบินทาบาทกลับมาขี้เกียจล้างบาทผลให้สูตรคนอพอเทข้าวออกจากบาทเสร็จแล้วเพราะท่านไม่ได้ฉั น, นบาทจากนั้นก็เคาะบาทปกๆๆใส่พื้นกระดานจากนั้นก็ไปงมไปคว่มเอาไว้ วันพวกนี้มาก็เอาผ้ามาเช็ดลวง ๆ, ๆจากนั้นก็อุ่มไปปินทบาทนี่อันนี้เราก็เคยเห็นสมัยเป็นเด็กเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานจะไม่เป็นอย่างนั้นขนาดล้างบาทที่วัดปา่าบ้านตาดล้างบาทวางกับพื้นไม่มีใครกล้าบอก ก, ก็ต้องมาบอกผมผมก็ไม่เห็นเพราะผม เ, เป็ไปล้างที่จุดอื่น พอเห็นโอ้ท่านะการล้างบาตรเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะตามพิทัยในพระพินัยเป็นอย่างนี้นะท่านนะท่านกอรับสาบประพูครับขอบคุณอีกต่างหาก น, ะนี่แหละก็คือเจตนาดีเราไม่ได้เอารัดเอาเปรียบไม่ได้พูดกระทักกระแทกเราอ้างวิทในที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ถ้าจะดูดูเราก็พร้อมที่จะเปิดให้ดูได้ เพราะเรามาศึกษามาอยู่ด้วยกันด้วยธรรมวินัยไม่ได้มาอยู่ด้วยทิฏฐิมานะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันที่มาอยู่ผู้น้อยผู้ใหญ่ถ้าองค์ไหนเห็นว่ามันเพชรดก็บอกด้วยเจตนาดีอย่าไปพูดแบบดูถูกเจตยามอย่าไปพูดแบบกันแนกแหน่อย่าไปพูดแบบคล้ายๆแบบ แสดงควาไม่พอใจซะก่อนเดี๋ยวยังบอกถ้าทําอย่างนั้นแปลว่าไม่ถูกเพราะอะไรเพราะหลักพระธรรมวินัยไม่ใช่ของเราเป็นสองพระพุทธเจ้าเป็นของกลางทุกองจะต้องศึกษาจะต้องปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยคือตามกฎเกณฑ์กฎหมาย เ, เพราะไม่ใช่กฎหมายของเราเราไม่ได้ไม่ไม่ใช่ผู้บัญญัติกฎหมาย เ, เราก็ศึกษาตามกฎหมายนี้ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ในเมื่อทุกอง ที่มาไม่รู้จักกฎหมายเราที่รู้กฎหมายก่อนเราก็บอกให้ผู้ที่ยังไม่รู้เออในกฎหมายเขานะกฎหมายพระพุทธเจ้านะแต่เราปฏิบัติตามนี่นะนะ่ะนี่แหละถึงจะอยู่มากน้อยขนาดไหนอยู่ด้วยกันก็ร่มเย็นเป็นสุขมากมายก็อยู่มากขนาดนะันก็เป็นสุขเพราะอะไรเพราะอยู่ในกฎระเบียบอยู่ในหลักพระธรรมพินยัยออการ ปนมือทําสังฆกรรมหรือไหว้พระหรือสวดมนต์หรือฝังพระปฏิโมกข์เหมือนกันอันนี้ผมขอย้ําเตือนให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านประนมมือด้วยความตั้งใจประนมมือขึ้นใ น, ในระหว่างอกและกระทำกระพุ่มเหมือนกระดอกบัวแสดงความเคารพในในทำ ที่เราปรนมมืออแต่บางท่านบางคนบางสำนักบางแห่งเวลาปนมมือมือตกนุ่นไปอยู่ในระหว่างหัวเขา่าเนอะปากก็พูดไปมือก็ย่อนลงไปข้างล่างไปอยู่ในระหว่างเขา่าดูดูแล้วถึงจะเป็นยังไงมันก็ไม่ถูกไม่งามอจริงเขาจับกล้องโทรทัศน์มาดูแล้วก็ถ้าเป็นพระผู้ใหญ่แล้วก็ดูดูแล้ว ทำอะไรด้วยความไม่ตั้งใจทำด้วยไม่ใส่ใจชุมชนสังคมเขามองอยู่ต่อหน้านะมันเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้เราอยู่ในชุมชนสังคมเราเต้องให้รู้จักกาลเทศะการสถานที่บุคคลถ้าเมื่อเราทำด้วยความเคารพใครก็รู้ เคารพน่นทำยังไงทาด้วยความตั้งใจใส่ใจตั้งใจในการปะนมมือแต่พวกเราทําด้วยความไม่ตั้งใจหรือว่าทําแบบเลื่อนลางทําแบบอะไรไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจแต่ใส่ใจยศแต่ว่าความตั้งใจไม่มีถ้าตั้งใจก็ต้องทําให้เหมาะสมอันนี้ทําแต่สักว่าทํา ทํากันแล้วแล้วไปมือยกประสานกันอีกต่างหากอยู่นในระหว่างหัวเขา่าเวลานั่งสวดมนต์สิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยพวกท่านทั้งหลายดูนะมันสวยงามไหมถูกต้องไหมมันเป็นท่านดูดูแล้วอที่ผมพูดให้ฟังแล้วให้ท่านสังเกตพวกท่านทั้งหลายไปสังเกตเลยนะแล้วจะมาเกิดกับตัวท่านเองออ เกิดกับตัวท่านเองเป็นยังไงคนอื่นเขาจะดูเขาเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรเสียงเหล่าเน่อยากจะให้พวกพระลูกพะหลานทั้งหลายให้ใส่ใจในการทําสิ่งไหนก็ตามเราอยู่ต่อหน้าสาธารณชนอย่าให้เขาได้ตำหนิเพราะพระพุทธเจ้าสงของพระพุทธเจ้าบุตรของพระพุทธเจ้า แต่ไม่เล่าไม่ใช่เราก็ประจบประแจงจีบปากจีบคอไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าให้อยู่ในความตั้งใจแล้วว่าความเป็นผู้อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในหลักพระธรรมการนั่งการเดินการจะยืนการพูดทาจาพาที่อันไหนครับท่านก็ให้ระลึกถึงหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า เพราะท่านได้บอกบัญญัติไปแล้วอยาให้มันหย่อนหรือว่าทำอย่างตามอำเภอใจตามมัธาใจของตัวเองเพราะพุทธศาสนาไม่ใช่ของเราเป็นศาสนาของพุทธเป็นธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ที่ท่านนำนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็ยึดแนวแถวปฏิปทาเร็วยึดแนวแถวแถวหลักธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราทำตามอำเภอใจทำตามอัธขาใจของตนเองแล้วลูกน้องบริวารต่อไปพายภาคหน้าล่ะเออมันเสียหายนะเพราะเขายึดตามแนวแถวของเราพาดำเนินและน่ะที่พระพุทธเจ้าที่ทาตรัสไว้ว่าผู้ที่จะทำลายศาสนาของเราตถาคตไม่ใช่ใครอื่น พุทธบริษัทสี่นี่แหละเป็นผู้ทำลายศาสนาของเราตถาคตผู้จะทําให้ศาสนาของเราจะถา ต, าาา ถ, าตาถาคตจเจริญรุ่งเรืองก็คือพุทธบริษัทสี่นี่แหละถ้าเราที่หลวงพ่อพูดให้ฟังอย่างที่พวกอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังจบลงมานี่พวกเราก็พ่อจะสํานึกได้ว่า อ, อืพุทธศาสาศนาจเจริญหรือเสื่อมมันอยู่กับพวกเราท่านทั้งหลายนี่เอง เพนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้มองดูตนเองว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรในเมื่อในอยูใ่ในสถานะ น, นั้นในอยู่ในสาธารณชนอย่างนี้อยู่ในชุมชนอยู่ในกลุ่มพระสงฆ์อย่างนี้เนี่ยให้พวกเราท่านทั้งหลายปฏิบัติให้ถูกต้องในเมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วนั่นแหละความสวยงามถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยกฎระเบียบ ดูที่ไหนใครเห็นก็สวยงามทั้งนั้นแหละอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ของพระสงฆ์แต่ทางด้านจิตใจในี่อีกตางหากเห็เราอยู่ในสถานที่ใดเราบวชมาเพื่ออะไรทําไมเราจึงบวชเจตนาการบวชของเราในคราวนี้ครั้งนี้บวชเพื่ออะไรเราบวชไม่เพื่ออยากจะได้หน้าใดตาบวชเพื่อจะได้ลาบยศชนะเสริญบวชเพื่ออะไร หรือเราบวชเพื่อหวังบุญกุศลหาทางพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารบุญเอาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราอย่างนั้นใช่ไหมตาเมจริงน่าจะใช่พวกเราบวชเข้ามาควรจะเป็นอย่างนั้นพอบวชเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องศึกษาในหลักธรรมวินัยศึกษาในกฎกระเบียบศึกษา ในข้อวัดปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏ <cultural> <understanding> ิบัติชอบผ่านไปแล้วท่านได้มักได้ผลผ่านไปแล้วอย่างหลวงปู่มั่นปฏิปทาของท่านเป็นยังไงปฏิปทาขององค์หลวงตาเป็นยังไงปฏิปทาของหลวงปู่ล่าเป็นยังไงปฏิปทาของหลวงปู่ขาวหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านปฏิบัติตนอย่างไรจนท่านได้เป็นอัติธาตุของท่านได้กลายเป็นพระธาตุ อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเพราะนั้นแนวทางหรือแนวปฏิปทาของครูบาอาจารย์พาดำเนินนั้นน่ะท่านทำอย่างไรวิธีการรักษาศีลอยู่ในกฎระเบียบในป่าดวงพงไผ่ท่านทำอย่างไรจารรกานั้นท่านเรื่องสมาธิท่านภาวนาท่านทำอย่างไรจากนั้นท่านเดินวิปัสสนาท่านทำอย่างไ ร, งงไรสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราศึกษา เป็นพื้นฐานจากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วทตเนี่ยเอาจริงเอาจังแต่ผมเองมั่นใจให้พวกทาวาพวกเราตั้งอกตั้งใจในพรรษานี้นะพรรษานี้นะข้าพเจ้าจะพูดน้อยที่สุดจะไม่คุยจะไม่สนทนากับใครจะอยู่ตามลาพังจะดูจิตใจจะพูดเมื่อข่าวจำเป็นเมื่อจำเป็นเท่านั้นจึงจะพูดข้าพเจ้าจะปิดวาจา ข้าพเจ้าจะนั้งภาวนาวันหนึ่งวันละกี่ชั่วโมงเราจะเดินจงกรมวันละกี่ชั่วโมงเราจะฉัน อ, อวันนี้เราจะฉันอาหารรวมทั่วไปแต่วันนี้เราจะฉันข้าวเปล่าเราจะฉันข้าวเปล่ากี่วันเราจะฉันอาหารรวมกี่วันสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกท่านทั้งหลายทดลองทดสอบดู แล้วการไม่ฉันอาหารเลยจักวันหนึ่งเป็นยังไงและการอดนอนดูสิไม่นอนเป็นยังไงตลอดทั้งคืนเอ า, เ อ, าอริยบทสยืนเดินนั่งสมอย่างไม่นอนไม่เอนหลังเลยในคืนนี้สิ่งเหล่านี้เราอยากจะให้พวกท่านทั้งหลายการพรมควม่ำภาคเปลี่ยนต้องมีหนักมีเบาไม่ใช่ว่า ดูทุกวันก็ยู่เป็นวันๆเดือนๆปีๆไปอายุแก่ไปเรื่อยสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงอยากจะให้พวก ห, หมู่พวกเพื่อนน้องนุงทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายให้ใส่ใจและให้สนใจแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติเพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของหลอกหลอกล้อเล่นเป็นของจริงจังถ้าผู้ปฏิบัติจริงจะต้องรู้เห็นจริงธรรมะที่ เราปฏิบัติไปแล้วนะรอคอยพวกเราอยู่นัติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเพียงจิตสงบเป็นสมาธิเท่านั้นนะเราจึงเห็นคุณค่าว่าจิตสงบนะมคีคุณค่ามีความสุขมากกว่าสิ่งไหนๆให้ทดลองดูทดสอบดูจริงไหมนี่แหละอยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะในพรรานี้ ควรจะเอาจริงเอาจังทุกๆท่านนะกับสิ่งไหนที่มันไม่ดูไม่ดีโลกโภโมโกณนะ เ, เห็นแก่ปากเห็นแก่ท้องวดไวสกรแต่มันหิวจริงๆค่อยมาฉันมันถ้าพอจึงกวัไดไหนทดลองดอูนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นการการทดสอบและการทดลองระหว่าบการหาแนวทางาที่จะหาทางพ้นทุก หาทางมรรคผลนิพพานต่อไปภายภาคหน้าเมื่อมีอายุพรรษาขึ้นมาเราก็ภาคภูมิใจอย่างมากในสมัยสมัยเมื่อเราได้ทําความภาคความเพียรโอ้ถ้าเราไม่มุ่งมั่นถ้าเราไม่มุ่งมั่นถ้าไม่ตั้งใจทําความภาคเพียรแต่สมัยน้อยหนุ่มพวกเราตัวของเราเองคงจะเอาตัวไม่รอดนอย่างผม่เป็นต้น่ผมเองภาคภูมิใจ ในขณะที่อยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมเนี่ยดูสิสมัยก่อนไม่มีคำว่าอ้วนผ อ, อ, อมแต่เช่นไงผมก็ไม่ได้พิจักกังบนแต่ความภาคเพียรในจิตใจนั้นผมพยายามทำตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสัง่งสอนบอกกล่าวอันนี้ก็เหมือนกันท่านพวกเราท่า น, ท, านทั้งหลายที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยอย่าไปเชื่อแต่ว่าคาผมพูด ไปอ่านแนวปฏิปทาขององค์หลวงตาแนวของครูบาอาจารย์ที่ท่านทําความภาคเพียนท่านทำอย่างไรนั่นแหะล้วนแล้วจะเป็นแนวทางที่ดีทั้งนั้นอย่างพระในครั้งพุทธกาลก็ใช่ย่อยเมื่อใดอย่างพระจักครูบาเราบวชมาเมื่อภผยอายุมากแล้วในสามเดือนเราเคยนอนมาในนอนอยู่ในวัฏฏะสงสารเนี่ย ไม่รู้กี่พบกี่ชาติกี่หมื่นกี่แสนชาติเราจะมานอนอีกเยอะเหรอในพรรษาเนี่ข้าพเจ้าจะไม่เอ็นกายโดยเด็ดขาดพระจักรคูบาทข้าพเจ้าจะนั่งจะยืแอนิยอเอาอริยบทสามยืนเดินนั่งเท่านั้นนี่แหะท่านก็ภาวนาของท่านแต่ก็เป็นบุพกรรมเก่าของท่านที่ว่าท่านตาปอดนะไม่ใช่ว่าเป็นเพราะ ถ้าท่านไม่นอนแล้วก็ตาบอดไปใช่เป็นบุพกรรมเก่าพระพุทธเจ้าว่าเป็นกรรมเก่าของท่านมันมาเข้ามาประเด่งประดังเข้ามาพอท่านวันออกพรรษาพอออกพรรษาวันนั้นตาของท่านก็บอดวันนั้นกิเลสของท่านก็หลุดพ้นในวันนั้นท่านเสียใจในตาของท่านไหมบอกท่านท่านไม่เสียใจแม้แต่น้อย เพราะท่านหมดกิเลสแล้วมันจะเป็นยังไงก็เป็นเพราะธาตุสี่ขันธ์มันจะเป็นยังไ ง, ม, ง, ไงมันก็เป็นแต่ใจของท่านเป็นอริยะเป็นพระอรหันต์แล้วท่านพอใจในจุดนั้นอันนี้ก็คือพระอรหันต์แต่บุพกรรมของท่านคืออะไรพระพุทธองค์ก็บอกพระพุทธเจ้าบอกบุพกา ร, รของบุพกรรมของพระจักขุบาลในอดี ต, ตชาติเออเป็นหมอยาเป็นหมอตา จากนั้นก็ไปแต่งยาตารักษาตาชาวบ้านเขาแต่ทีนี้ไปเจอคนขี้โกงเข้าทีนี่พอรักษาเขาหายแล้วเขาไม่จากจ่ายเงินอพอจักกุบานได้ยินจักกุบานเข้ามาในหมู่บ้านทำท่ามองไม่เห็นหลับตามองไม่เห็นผลในสูก็พอจักกุบานไปแล้วเขาก็หายไอคนที่อยู่รอบด้านรอบขานเฮ้ยมันหายแล้วมันทำการทำงานได้แล้ว แต่พอเห็นหมอตาหมอยาตามาเท่นั้นละ่ะมันก็ทําท่าตาบอดมันไม่อยากจะจ่ายเงินนี่แหละพปัจจุบาลสมัยนั้นก็ยังใช้ชาติใช่ไหมโมโหธรรมดาคนกิเลสมีกิเลสใช่นไหอโมโหมันทําไมมันเรารักษามานมนานมันน่าจะให้รางวันกับเป่าค่าจ้างกับเราทําไมมันโกคดโกงเงินค่ายาเพียงยาตาเท่านี้เอาละเราจะแต่งยา แต่งยาให้ใสย่ยาใ้มัตาบอดเลยบัด น, นี่แหละอันนี้แหละคือความเป็นมาของพระจักขุบาลที่ท่านตาบอดจากนั้นถ้านก็คงผสมน้ํากรดเข้าไปมัง้ง เ, เสร็จแล้วก็เป็นไ้ตาหายดีหรือยังโอ้ไม่หายมันตาบอดจังใช้ได้ก็ดีขึ้นอยู่มันก็ทํานองอย่างนั้นแหละพระจักขุบาลเออเอาเนี่ยเอายาในนี้ยอดเข้าไปนะยาตัดรากนะยอดเข้าไป ตาเนี่หายหายเด็ดขาดไอ้คนนั้นเขาก็อยากจะหายอยู่แล้วใช่เอดรักขัน ห, หลังให้ไปอันนั้นก็ไปก็หยอดตาเข้าไปบังก็ปิ้วเลยสีถูกน้ํากดใช่ไหมตาก็เลยบอดนั่นแหละพระจักุบาลก็เลยรับกรรมตัวนั้นยาวนานทีเดียวเลยเพราะตัวเองได้ทําให้ตาเขาบอดพอมาพบชาติเป็นพระหรหันนี้เอเมื่อท่าน ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตาของท่านก็บอดเพราะท่านได้ใช้กรรมที่ตนได้กระทำไว้ในอดีตไม่ใช่ว่าท่านในภาวนาเล่งความเพียงโดตาบอดไม่ใช่เป็นกรรมเก่าของท่านในอดีตเป็นสวนผสมเข้ามาอีกเพราะนั้นพวกเราไม่ต้องกลัวแต่มันจะเกิดอะไรมันก็ต้องเกิดถ้ากิเลสแตกภายในจิตใจแล้วนะเลิศประเสริฐที่สุดการทาความภาคเพียน เพราะนั้นการอดนอนผออาหารทดลองดออูให้พวกเราทดลองทดสอบดูในการทำความภาคเปลี่ยนจะไปทำแบบเก่ า, เ, กาเราเคยทำอย่างไงก็ทำอย่างเก่าทดลองดูสิเหมันตึงอย่างนี้มันเป็นยางไง่มันถูกกับจิตเรเราไหมอดนอนมันเป็นยังไงอดอาหารเป็นยังไงผออาหารเป็นยังไงฉันแต่ข้าวเปล่าเป็นยังไงสารอาหารอิม่มเต็มอิ่มเป็นยังไง สรรอาหารที่มันดิบดีเป็นยังไงสิ่งเรล่านียให้ไปทดลองแต่ถึงยังไงก็ตามให้ดูใจของตนเองได้ใจของเราปล่อยป่แล้วเลยไหมมันคิดเอาเรื่องโรกมาใช่ไหมเ อ, อมันไปเรื่องไปเอาเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมาใช่ไหมเออใจของเราไม่ชอบฟังเรื่องต่างๆวิทยุโทรทัศน์อะไรมีไหมในในตัวของเราในการมาอยู่ป่ายางได้มีไมในเสียงนั้นโยนทิ้งทั้งหมดอย่าให้มี ในตัวของพวกเราในขณะที่ภาวนาเร่งความภาคเพียร น, นั่นแหละคือเป็นเครื่องกดทวงให้ฟังเอาไว้ อ, อ, องค์หลวงตาท่านพูดอย่างเด็ดขาดพวกเราถ้าได้ยินได้ฟังเทพองค์หลวงตาแล้วให้ฟังในจุดนี้ให้ดีเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะในปรญษานี้อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเร่งความภาคเพียรอย่าให้มีเรื่องราว เ, เกิดขึ้นในในกลุ่มของพวกเราถ้าพวกเราผู้ใดใครก็ตามถ้ามีเรื่องราวเกิดขึ้นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมวินยัยนั่นแหละความเด็ดขาดก็จะมีขึ้นในกับพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะพูดทางนี้ทางนั้นสรุปแล้วก็คือให้พวกเราตั้งใจให้พวกเราภาวนาเรามาภาวนาข่าวที่ไม่ใช่มาอย่างอื่นมาหาทางพ้นทุกข์ ตามแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินท่านหามักหาผลท่านได้แล้วนะให้พวกเรามาจะได้แต่เรื่องกิเลสโลภโกรดหลงอย่างนั้นก็ไม่น่าจะถูกต้องนะเพราะนั้นขอให้ฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอุโบสถก็เลยปารุบเรื่องภวินัยบ้างเรื่องพระธรรม ท, ทางด้านจิตใจด้วยนะการพูดก็เห็นว่าสมควรขอยุติ